พลังจิตอิสระคือความเบาพึ่งพลังภายนอกคือความหนักพวกนักบำเพ็ญจิตในสมัยปัจจุบันนี้บางท่านก็สอนให้น้อมเอาพลังต่างๆเข้ามาบางท่านก็น้อมเอาพลังพระอินทร์พระพรมหรือพลังของพระอิศวรพระนารายณ์เป็นต้นให้มาประจุอยู่ที่จิตของเราแล้วก็น้อมเอาพลังเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์พลังเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างแท้จริง เราอาศัยความเชื่อมั่นแต่พล like ังแบบนั e ้น like มันเป็นพลังที่เราอาศัยสิ่งอื่นแต่อย่างที่กล่าวมาในตอนต้นนั้นมันเป็นพลังซึ่งเกิดจากสมรรถภาพของเราเองซึ่งเราสามารถทำจิตให้มารวมหยุดนิ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิได้เมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิได้จิตก็เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่มีอานาจอันใดจะมาบังคับข้อสังเกต พลังซึ่งเกิดตามธรรมชาติของจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนี่เมื่อได้สมาธิจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบและบางทีก็มีปีติมีความสุขถ้ายิ่งจิตสงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขความสบายจิตใจของเราปลอดโปรง่งไม่หนักหน่วงถ้าเรานั่งอยู่ความรู้สึกทางกายเหมือนกับลอยอยู่บนอากาศเหมือนกับก้นไม่แตะพื้น ถ้ามันเกิดขึ้นในขณะที่เราเดินจงกรมจะรู้สึกเบาสบายไปหมดเหมือนกับว่าเราไม่ได้ ก, ก้าวแต่ตัวของเราลอยไปเองเวลาเรานอนถ้าจิตมันมีสมาธิดังที่กล่าวเราก็จะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราจะรู้สึกว่าตัวเราลอยอยู่บนอากาศอันนี้เป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิในแนวทางที่สร้างจิตให้มีพลังเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใด นี่การสร้างพลังจิตอีกแบบหนึ่งโดยอาศัยพลังอื่นเข้ามาช่วยถ้าหากจิตสงบลงไปแล้วน้อมเอาพลังภายนอกเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าพลังเข้ามาแล้วเราจะรู้สึกว่าหนักหน่วงทั้งกายหัวใจเหมือนถูกบีบหลังจากนั้นจิตของเราไม่เป็นตัวของตัวเองตกอยู่ในอนํานาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงหนักๆเข้ากลายเป็นการทรงวิญญาณอันนั้นไม่ถูกต้อง